ขณะที่คนกําลังจะเสียชีวิตควรให้ยาระงับปวดเพื่อข่มเวทนาหรือไม่ควรให้เลยให้ดูเวทนาไปชัดๆหมอมักจะให้ยาคนไข้จนไม่รู้สึกตัวจะทําให้เสียโอกาสเจริญสติก่อนตายหรือไม่เจ้าคะอาลองถามใหม่สิคําถามยาวไปคือคําถามว่าเขางงคนไข้ะคะ่ะที่กําลังจะเสียชีวิตแต่ว่ามีอาการเจ็บปวดเกิดเวทนาขึ้นคะ่ะปกติคุณหมอจะให้ยาเพื่อระงับความเจ็บปวดตรงนั้นจนกระทั่ง คนไข้ไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จะเป็นการทําให้คนไข้เสี่ยวกาดในการเจริญสติก่อนเสียชีวิตหรือเปล่าครับคืออยู่ที่ว่าคนไข้นนเนี่ยเขาเคยปฏิบัติธรรมมาไหมใช่ไหมถ้าคนไข้เคยปฏิบัติธรรมมาเวทนามันก็ไม่กวนหรอกเวทนาเป็นเครื่องมือฝึกกีอย่างดีเลยแล้วรู้ตัวเองว่าใกล้จะตายยิ่งจะต้องไม่ให้เสียท่าเข้าใจไหมต้องรู้ให้ได้ว่าเวทนาไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเรามันจะทิ้งกันให้ดูเขาจะได้ธรรมะทันทีเลยพระเจ้าบอกแล้วว่าอย่างน้อยพระโสดาบันถ้าอย่างเงี้ย S <S หรืออนสัสกิทาอนาคาก็ได้หรือเพอราวรหันเลยก็ได้กใกล้จะตายนี่แหละถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งใจปฏิบัติฝึกไปฝึ่งไปสะสมไปอินทรีย์มันแก่กล้าโดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วยไข้มันบังคับเราปล่อยใจไปทางอื่นไม่ได้ต้องสอนจิตให้รู้ว่าร่างกายเห็นไหมมันจะตายอยู่แล้วมันจะทิ้งเราอยู่แล้วเรายังจะมาประมาทอยู่ได้เหรอเนี่ยต้องชี้ให้จิตดูให้ได้เห็นให้ได้เดี๋ยวมันต้องจากกันไป แล้วเวลามันจากมันจะชัดจิตมันจะออกมาแยกออกอย่างนี้ธรรมดามันจะไม่ค่อยแยกใช่ไหมล่ะนอกจากในสมาธิมันแยกได้แต่ถ้าหากว่าธรรมดามันมันแยกไม่ได้เพราะความรู้สึกมันเป็นภาพรวมอยู่แต่ถ้าในขณะที่มันป่วยไข่อยู่จิตมันโฟกัสอยู่กับไอเนี่ยร่างกายเนี่ยมันป่วยอยู่มันไม่สบายอยู่หรือเวทนาก็สู้กันอยู่สู้กันอยู่จิตมันก็จะ เห็นชัดเจนว่าสุดท้ายมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราพร้อมกับมันปล่อยได้เนี่ยปล่อยได้ชัดเจนอย่างนี้เนี่ย เ, เรียกว่าพระโสดาบานันความเห็นผิดสักยะทิธิที่หลงคิดว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเรามันจะดับบูบไปเข้าใจไหมดับไปขนาดนั้นทีนี้ถ้าเขาไม่ตายเขาฟื้นขึ้นมานี่จะสบายมากเบาไปหมดเลยเพราะความหลงยึดตัวเองที่มีอัตราตัวตนเนี่ยแต่ก่อนมันหนัก แต่พอปุ๊บออกไปอย่างนี้มันจะเบาเบามากจนกระทั่งความทุกข์ที่เท่าภูเขานี่ลดลงเหลือแค่เท่าขี้เล็บเอาไหมล่ะเอาไหมเอาโทกแต่ปฏิบัติไหมปฏิบัติแล้วเป็นยังไง